ก่อนชั้นหรือว่าหลังชั้นนะก็จะมีธรรมเนียมที่พระจะกล่าวอนุโมทนากล่าวอนุโมทนานี้นะจะเรียกว่าเป็นการให้พรญาติโยมก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าเป็นการแสดงความขอบคุณก็ได้นะขอบคุณที่ญาติโยมได้มาถวายอาหารที่จริงการขอบคุณนี้นะก็ควรจะรวมไปถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ทำให้เราได้มีอาหาร นะไม่ว่าจะเป็นพืชผักธัญญาหารไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ได้สละมาเป็นอาหารให้กับเรารวมทั้งผู้ที่ทำให้อาหารนั้นเนี่ยนะมันเป็นไปได้นะคือแม่ครัวการกินอาหารนี่มันเป็นการปฏิบัติทาได้เมื่อเราไม่เพียงแต่กินอาหารอย่างมีสตินะแต่ว่า กินด้วยความสำนึกในบุญคุณของสิ่งทั้งหลายที่ทำให้เรามีชีวิตรอดได้มีเลือดมีเนือ้อมีกำลังวังชาญาติโยมก็เหมือนกันนะเวลาเราทานอาหารนะเราก็ลองน้อมใจนึกถึงสิ่งต่างๆที่ทำให้เรามีาชีวิตยืนยาวต่อไปแล้วก็อย่างภาสุขด้วย จริ ง, รงความสำนึกในบุญคุณนะเราก็ควรมีกับสิ่งต่างๆด้วยไม่เฉพาะกับอาหารนะเพราะว่าการที่เรามีชีวิตมาจนถึงวันนี้ได้นะเราก็เป็นหนี้บุญคุณสิ่งต่างๆมากมายทั้งธรรมชาติแวดล้อมนะที่ทําให้เรามีอากาศมีน้ำมีอาหารแล้วก็ผู้คนอีกมากมายทั้งที่เราเห็นแล้วก็ไม่เห็นทั้งที่รู้จักไม่รู้จักไม่ใช่แต่เฉพาะพ่ อ, พอแม่ พี่น้องญาติครูใหญนะ่ครูบาอาจารย์เท่านั้นนะจะว่าไปแล้วในการสำนึกในบุญคุณเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตเราด้วยนะเพราก็มีการทำวิจัยนะพบว่าเมื่อใดก็ตามที่เรานะมีความสำนึกในบุญคุณต่อสิ่งต่างๆแล้วก็แสดงออกมาเช่นอาจจะเป็นการจดบันทึกจดบันทึกประจำวัน หรือเขียนเป็นจดหมายนะว่าเรารู้สึกขอบคุณในเรื่องใดบ้างในสิ่งใดบ้างในแต่ละวันตะวัที่ผ่านมานเช่นก่อนนอนก็บันทึกวันเนี่ยเราขอบคุณหรือว่ารู้สึกดีกับอะไรบ้างนะอาจจะเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในบ้านหรือคนที่เราไม่รู้จักนะอาจจะเป็นดินฟ้าอากาศข้าของเครื่องใช้ก็ได้ แล้วพะว่ามันทำให้คนเนมีความสุขมากขึ้นนะอาจจะไม่ว่าจะเป็นการมีการทดลองทำให้จดบันทึกประจำวันนะหรือว่าเขียนจดหมายนะเป็นอาทิตย์ละครั้งแค่สามอาทิตย์เนี่ยนะมันก็ทำให้คนเขียนเนี่ยเขารู้สึกมีความสุขแล้วก็มีความพอใจในชีวิตมากขึ้นเพราะเวลาเราก็เวลาเราก็ตามที่เรารู้สึก เราลึกถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราเช่นความช่วยเหลือความเมตตาที่ผู้อื่นมีกับเรานะมันทำให้ใจเราเป็นกุศลทาให้ใจเราเป็นบวกนะแล้วก็จะพลอยทำให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีนะคนเราถ้าไม่มองในแง่นี้นะมักจะหาเรื่องจับผิดได้ง่ายเพราะธรรมชาติคนเราเนี่ยมักจะมองในแง่ลบนะสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันแต่ละวันเราไม่สังเกตแต่เรา เลือกที่จะสังเกตรหรือเลือกที่จะจดจ่อไอสิ่งที่ไม่ดีเช่นรถติดนะทำไมวันนี้ซวยเหลือเกินนะวันไหนไม่วันอื่นไม่ติดมาติดวันนี้นะหรือว่าที่อื่นไม่ติดมาติดตรงนี้นะที่ฉันเดินทางหรือว่านัดเพื่อนแล้วเพื่อนใหม่มานะหรือว่าอาหารไม่อร่อยอาหารราคาแพงนี่นธรรมชาติคนส่วนใหญ่นี่จะเป็นอย่างนั้นคือมองแต่ด้านลบที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หรือว่าจดจ่อกับสิ่งที่เป็นอนิจฐารมณ์ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจพอเลื่องมองแบบนี้หรือจดจ่อแต่ไอสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เลยทําให้เป็นทุกข์ทำให้หงุดหงิดแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเนี่ยเราเป็นคนโชคไม่ดีเลยนะเจอแต่เรื่องร้ายๆทุกวันที่จริงเรื่องดีๆก็มีนะแต่ว่าไม่รู้จักมองหรือว่าลืมไป หลายคนมักจะบอกว่าเนี่ยรถเมย์เนี่ยเวลาฉันไม่ขึ้นนี่มันไอ้เบอร์นี้สายนี้มาแล้วมาอีกแต่พอฉันจะขึ้นเบอร์นี้รถเมย์สายนี้มันดันไม่มาหรือว่ามันดันมาช้าหรือเราจะคิดว่าเนี่ยเวลาต่อคิวเนี่ยทำไมฉันเข้าคิวทีไรคิวยาวคิวของฉันยาวกว่าคิวคนอื่นทุกทีหลายคนมักจะคิดแบบนี้แล้วก็บอกเนี่ยเราเป็นคนโชคไม่ดี ที่จริงตอนที่เข้าคิวแล้วเจอคิวสั้นก็มีนะแต่ว่าเราเราลืมไหซะเราไม่เลือกจําเราเลือกจําแต่ไอตอนที่เข้าคิวยาวๆหรือไปเจอคิวยาวๆไอเวลาที่เราขึ้นรถเมล์แล้วอยากจะขึ้นรถเมล์แล้วมันก็มานะทันทีโดยที่ไม่ได้รอก็มีนะแต่ว่าเราไม่จําเราเลือกจะจําแต่ไอตอนที่อ่าจะขึ้นแล้วมันมาช้า แล้วก็จับอย่างนี้ทุกวันทุกวันหรือจำบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเราเป็นคนโชคไม่ดีแล้วก็จะรู้สึกแย่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีนะเราลองลองลองมองนะหรือว่าลองเตือนตัวเองนะว่าให้รู้สึกถึงสิ่งดีๆนะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละวนนันเช่นจดบันทึกนะ ตรวจบันทึกว่าวันนี้ฉันได้เจออะไรดีๆมาบ้างแล้วก็รู้สึกสำนึกในบุญคุณของอะไรบ้างขอบคุณอะไรบ้างมันจะช่วยทำให้เรารู้สึกดีนะกับแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปแล้วก็พบว่ามันช่วยทำให้ลดความซึมเศร้าได้คนที่มีอาการซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมองอะไรแต่ในแง่ลบแง่ร้ายนะแต่พอลองทำแบบฝึกหัดแบบนี้ดูบ้างว่า วันนี้ฉันได้พบสิ่งดีๆอะไรบ้างนะแล้วก็อยากจะขอบคุณอะไรบ้างขอบคุณคนที่นะช่วยให้ทางกับเรานะเราขับรถแล้วนี่ไปติดอยู่ที่สะพาน ล, ลอยนะก็มีรถคันหนึ่งเขาเปิดทางให้เราสามารถที่จะแซงขึ้นสะพานได้ไม่งั้นเราก็ติดหักอยู่ตรงคอสะพาน ล, ลอยนั่นแหละ เราคงเจอแบบนี้บ่อยๆแต่ว่าก็มีคนที่เปิดทางให้เราขึ้นสะพานได้ทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้เข้าคิวไม่ได้จ่อท้ายนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้า เ, าเราลึกถึงบ้างอาจจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆแต่มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกอขอบคุณและมันก็จะทำให้เมตตากรุณาในใจของเราเพิ่มผนมากขึ้นหลายครั้งนี้เราพบสิ่งดีๆในชีวิตนะแต่ว่า เรามักจะมองข้ามไปนะหรือว่ามีคนที่ทำดีกับเรานะแต่ว่าเรามักจะมองไม่เห็นพราะจะนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเขาทำอาหารให้เรากินเนะขาตักน้าให้เราดื่มล้วก็มองข้ามไปนะแต่พอเราถ้าเราตั้งใจมองสับ้างเราก็จะพบว่าเราเป็นคนโชคดีนะวันแต่ละวันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราวันแต่ละวันมีคนที่ทำ วความดีกับเรามากมายอันนี้ก็เป็นวิธีเป็นเกร็ดเล็กๆ น, น้อยๆในะที่ช่วยทำให้เรามีความสุขกับชีวิตแล้วก็มีความพึงพอใจกับชีวิตได้เราก็เตรียมรับพร